เจริพรท่านผู้บริการโรงเรียนเทคนนิมิตตลอดจนคณะอาจารย์และสาธุชนทั้งหลายเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยคือ2ปีที่แล้วอาตมาเคยได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายแก่อาจารย์แพทย์ที่หมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งถามอาตมาว่าทำอย่างไรนักเรียนเนี่ยจึงจะเรียนอย่างมีความสุข ต่อาก็ตอบไปว่านักเรียนจะเรียนอย่างมีความสุขหรือนักศึกษาในจะเรียนอย่างมีความสุขได้เนี่ยสิ่งสําคัญประการแรกคือว่าอาจารย์เนี่ยก็ต้องสอนอย่มีความสุขด้วยถ้าอาจารย์เนี่ยสอนหนังสือไม่มีความสุขนะยากนะที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ย มีความสุขกับการเรียนฉะนั้นถ้าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะเรียนอย่างมีความสุขเนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นที่ตัวอาจารย์หรือตัวครูซะก่อนการที่ครูเนี่ยหรืออาจารย์เนี่ยสอนหนังสืออย่างมีความสุขเนี่ยอาตมาว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวแล้วก็อาตมาก็ดีใจว่าวันนี้หัวข้อที่ เราจะมาสนทนากันก็เป็นเรื่องทำนองนี้นะก็คือเป็นครูอย่างไรให้มีความสุขที่จริงคำว่าเป็นครูอย่างไรให้มีความสุขเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่าสอนอย่างไรให้มีความสุขนะอาามาคิดว่าการตั้งหัวข้อนี้น่าสนใจคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งหัวข้อว่าสอนอย่างไรให้มีความสุขแต่ว่าตั้งหัวข้อที่กว้างกว่านั้น เป็นครูอย่างไรให้มีความสุขหัวข้อนี้เนี่ยมันกว้างกว่าหัวข้อที่ว่าสอนอย่างไรให้มีความสุขแต่ว่าอาตมาก็เชื่อว่าการที่จะเป็นครูอย่างมีความสุขได้เนี่ยปัจจัยสาคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการสอนอย่างมีความสุขสอนอย่างมีความสุขเนี่ยมันทำได้อย่างไรนะอาตมาไม่เคยสอนหนังส ύ, ือเป็นเรื่องบรราวนะ หรือสอนในชั้นเรียนนี่ต่มาไม่เคยสอนจริงๆจังๆเท่าไรแต่แตมาเคยเคยเห็นครูที่สอนหนังสือยังมีความสุขไม่ใช่แค่สุขอย่างเดียวน่นสนุกด้วยสมัยที่แตมาอยู่ป .7 นะสมัยแตมานี่ปถมนี่มันมีเจ็ดชั้นนะมีครูคนหนึ่งนะสอนวิทยาศาสตร์ อย่างสนุกมากเลยสอนด้วยความกระตือรือร้อนแล้วก็เรียกว่าพูดจะตลอดทั้งชั่วโมงเลยฉนนิที่เรียกว่าไม่ต้องเปิดหนังสือและนักเรียนอย่างอาตมาเนี่ยก็คอยคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเป็นพราครูท่านนี้ทำใมอาตมาเนี่ยเริ่มหันมาสนใจ วิชาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังเกิดความรักวิชานี้ขึ้นมาแล้วก็จนถึงขั้นว่าอยากจะไปเรียนต่อในคณะวิศวะแต่ว่าชะตากรรมและพิปน์นนะที่ทําให้ตมาไม่ได้เข้าคณะวิศวะแต่ไปเข้าหมหาวิทาลัยธ ร, รรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีใจรักวิทยาศาสตร์อยู่ทัวั น, นี้ตามายังรักหนังสือ นิตยาาสารฉบับหนึ่งชื่อว่า Science i l l u s t r a t e Science i l l u s t r a t e นี่ก็เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ทั้งเล่มเลยนะเป็นนิตยาาสารรายเดือนอาตมาว่าครูวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามีอยู่ในที่นี้นะฮะน่าลองสมัครสมาชิกนิตยาาสารนี่ดูนะเพราะว่านอกจากจะเติมความสนใจไฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถจะไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องการสอนได้เพราะว่าเขามีประเด็นแง่มุมด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจขนาดผู้ใหญ่อย่า ง, งตมายองสนใจเลยนะรู้สึกว่าอยากติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องไดโนเสาร์เรื่องนุตตางดาวนะเรื่องจักรวาลหรือแม้กระทั่งเรื่องจุรินรีเรื่องแปลกๆที่เด็กๆเนี่ยน่าจะตื่นตาตื่นใจอันนี้ตา ม, มาเล่าตัวอย่างประสบการณ์ของตามาว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้รับวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนสำคัญเลยเพราะว่าครูครูสอนอย่างสนุกแล้วต่อมาเนี่ยก็มาเจอครูสอนภาษาไทยเมื่อชั้นมศ .2 ภาษาไทยเนี่ยสำหรับใครคนเป็นวิชาที่น่าเบื่อทุกวันนี้เวลาผลสอบโอ e t ็อออกมานี่ปรากฏว่าเด็กไทย นะที่สอบตกภาษาไทยนี่มีเยอะมากทีเดียวนะฮะแล้วทางปีนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเด็กที่สอบได้ศูนย์ได้คะแนนศูนย์ภาษาไทยอัตอมาก็นึกไม่ออกว่าสอบยังไงนะถึงได้ศูนย์นะ่ะคือไม่ได้คะแนนเลยสักสักแต้มเดียวภาษาไทยเนี่เป็นวิชาที่น่าเบือ่อสําหรับเด็กจํานวนมากแต่ว่าวิชาภาษาไทย ที่อาตมาได้เรียนในชั้นมศ .2 เนี่ยมันทำให้อตาตมาเนี่เกิดความสนุกนะอยากเรียนรู้วิชาภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็ยิ่งอยากรู้นะมันก็จะพบว่าวิยาก์ภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันมีหลักของมันพอจับหลักวิยาก์ภาษาไทยได้นี่ไอการเรียนและการสอน และการสอนภาษาไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากผมอีกต่อไปคือธรรมอยากจะชี้ว่าเรื่องความความสนุกในการสอนหนังสือเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะและธรรมาเชื่อว่าถ้าครูเนี่ยมีความสนุกมีความสุขในการสอนนะความสุขในความเป็นครูเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากและถ้าครูเนี่ยสนุกในการสอนเด็กเนี่ยนะ ก็จะเกิดความสนุกความระตือืนร้นที่จะเรียนเหมือนกันคำถามควกครูเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยสนุกในการสอนหรือเปล่าและความสนุกและหรือความสุงในการสอนนะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากหลักหรือว่าปัจจัยหนึ่งปัจจัยเดียวเท่านั้นก็คือความรัก ถ้าครูเนี่ยรักในวิชาที่ตัวเองสอนนะครูจะสนุกและเป็นสุขเมื่อได้สอนไม่ว่าวิชาใดเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษขอเพียงแต่มีความรักในวิชานั้นความสนุกมันก็จะตามมาความสุขก็จะตามมาและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความรอบรู้นะฮะความรักในวิชาเนี่ยภาษาพระเรียกว่าฉันทะฉันทะฉันทะเนี่ยคือความใฝ่ความรักความชอบเมื่อเมื่อมีความรักในวิชาที่ตัวเองสอนก็จะเกิดความใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นอยากศึกษามากขึ้นความอยากชนิดนี้เนี่ย ไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ไม่ใช่ตัณหาความอยากในพุทธศาสนา ม, มีสองอย่างคือที่เราคุ้นเคยหนึ่งตัณหาอีกอันนึงที่เราไม่ค่อยรู้จักคือฉันทะฉันทะเนี่ยคือความอยากทําเช่อนอยากรู้อยากศึกษาส่วนตัณหาเนี่ยคือความอยากได้นักเรียนเนี่ยถ้าเรียนเพื่ออยากได้คะแนนนะนั่นคือตัณหาแต่ถ้าอยากได้ความรู้ อยากรู้ให้มากขึ้นนั่นคือชันทะอาตมาคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่ล้มเหลวมาเกือบจะโดยตลอดนะของการศึกษาในในในเมืองไทยคือว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถปลุกชันทะให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองได้ส่วนหนึ่งก็อจจะเป็นความล้มเหลวของครูด้วยที่ไม่สามารถจะปลูกชันทะให้เกิดขึ้น กับนักเรียนและที่ครูนี้ไม่สามารถจะปลูกชั้นทายกขึ้นแก่นักเรียนได้เพราะว่าครูเองก็ไม่มีชันทะในวิชาที่ตัวเองสอนคือไม่ได้รักในวิชานั้นเลยแล้วไม่มีความใยรู้ด้วยและแต่ถ้าครูใยรู้เนี่ยนะเพราะมีความรักในวิชาเนี่ยก็จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็จะมีเรื่องเล่ามีเกร็ดแปลกๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กฟัง ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความกระตุ้นหรือล้นขึ้นมามันมีมันมีมันมีแง่มุ ม, มลหลายหลายอย่างที่เราสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความตื่นตื่นเต้นสนใจในวิชาที่ตัวเองเรียนได้อาตมายุตัวอ ย, อย่างวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์มีโจทย์อยู่โจทย์หนึ่งว่าสมมติว่าคุณมีหนังสือพิมพ์ขนาดแบบไทยลัดละนะหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ สมมติหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยมันมีความกว้างไม่จํากัดเรานึกภาพเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะถ้าคุณพับเนี่ยสี่สิบทบถ้าคุณพับสี่สิบทบเนี่ยถามนักเรียนนะนักเรียนถ้านันกกระดาษเนี่ยพับสี่สทบเนี่ยความหนาของมันเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่เราตอบได้ไหมฮะหนังสือพิมพ์เนี่ยสมมุติถ้าเป็นไทยรัฐนะ พับสีทบเนี่ยความหนามเท่ากับเท่าไหร่หลายคนบอกว่าความหนาเท่ากับ1ฟุตผิดถ้าถามว่าความหนาเท่ากับ1กิโลเมตรเนี่ยเชื่อไหมคำตอบคือผิดมันหนาเท่าไหร่ทราบไหมฮะมันหนาเท่ากับระยะทางระหว่างโลกไปดวงจันทร์หนังสือพิมพ์เนี่ยนะพับสีทบนะความหนาเท่ากับระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์คือเป็นแสนกิโลเมตร ดูไม่น่าเชื่อนะแต่เป็นจริงเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณเอาสองยกกำลัง4ี่สิบเนี่ยนะสองยกกำลังสี่สิบเนี่ยมันเท่าไหร่ไม่ใช่สองคูณสี่สิบนะต้องสองยกกำลัง4ี่สิแล้วคุณเอางเอ า, เอาเครื่อคิดเลขมาคำนวณดูคนจะเพราะว่ามันมันมหาศาลเลยตัวเลขอันนี้นเขากำลังเขากาลังบอกว่าเขากำลังบอกว่า exponential เนี่ยคือว่าความทบต้นเนี่ย เลขทบต้นเนี่ยนะตอนแรกๆเนี่ยสองกำลังสอลังสองลังสามสองกลังสี่เนี่ยมันแค่นี้เองแต่พอสองกำลัง1ิบกำลัง20นมันมันมันหลายเท่านี่คือความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์นะฮะในเรื่องของการทบต้นนะมีเรื่องเล่าว่าพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าอยากจะให้รางวัล พลางก็บอกว่ารางวัลเนี่ยขอแบบนี้ได้ไหมกระดานหมากรุกเนี่ยซึ่งมันมี64ช่องใช่ไหมฮะขอข้าวข้าวนี้เนี่ยนะช่องแรกเนี่ยหนึ่งเมตรช่องที่สองสองเมตรช่องที่สามสี่เมตรช่องที่สี่นะยกกำลังสองไปเรื่อยๆสิบหกเมตรหนึ่งนะจากสองเป็นสี่จากสี่เป็น แป่จากแปปอันนี้มันคูณ2แต่ถ้ามันกำลังสองเนี่ยมันมากกว่า น, นั้น mm hmm. พระราชาก็ให้ปพราว่าพอไปถึงพอไปถึงช่องที่30มสเศนี่อนะกว่าข้าวในยุ่งฉางข้าวในยุ่งฉางของของพระราชาเนี่ยไม่เหลือเลยเ mm hmm. พราะว่ามันทบต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. พอไปถึงช่องข4บนอะกว่าข้าวข้าวทั้งหมดที่มีในโลกเนี่ยก็ไม่พอ คือตาาั้งแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยคือสมมุติว่าเราเราเราสอนคณิตศาสตร์แล้วเราเล่าแบบนี้ให้ให้เด็กฟังเนี่ยนะตั้งแต่ตว่าเด็กมันก็เกิดความตื่นตาตื่นใจโอ้โหมันขนาดนี้เชียวหรอนะฮแน่นอนอันนี้มันไม่มีในมันมันไม่มีในในหนังสือเรียนแต่ว่ามันมันสามารถจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความฝ่รู้ขึ้นมาได้ว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์หรือสมมุติว่าเราสอนวิชาประวัติศาสตร์สอนวิชาอ่า ภูมิศาสตร์ก็ได้อภวศาสตร์เราก็อาจจะถามเด็กว่าญี่ปุ่นเนี่ยกับเยอรมันซึ่ ง, งแพ้สงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแพ้ยับเยินเลยนะคนตายเป็นล้านบ้านเมืองที่น่ายับเยินที่โรชิมานะอาซกิไม่เหลือทำไมทั้งสองประเทศแพ้สงครามแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นประเทศมหาอนาจ ที่จีกเป็นมหาอำนาจเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเป็นมหาอำนาจเนี่ยทางเศรษฐกิจตั้งแต่เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราตั้งคําถามแบบนี้ให้กับเด็กเนี่ยนะอาตอมาช่อวเด็กก็ถ้าเด็กเขาติดตามคําถามเราเนี่ยเขาก็กจะเกิดความสงสัยว่ามันเป็นไปนได้อย่างไรประเทศที่แพ้สงครามยับเยินเนี่ยแต่ทําไมถึงมาจเจริ หรืออย่างสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นประเทศซึ่งเป็นเกาะเล็กพอๆกับภูเก็ตแต่ทำไมเขาเจริญก้าวหน้ามากทาั้งที่เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนายรัฐมนตรีรีกวนยูร้องไห้เมื่อประเทศของตัวเองเนี่ยถูกตัดขาดออกจากสาพันมาเลเซียรีกวนยูเนี่ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าประเทศตัวเองไม่มีอนาคตแล้ว ลิวเกนยูเคยเชื่อว่าตประเทศตัวเองจะต้องผูกติดอยู่กับถ้าไม่มาเลเซียก็เป็นของอังกฤษถ้าเป็นอิสระโดโดๆเนี่ยจะไปไม่รอดลิวเกนยูเนี่ยร้องไห้เพราะว่าเขามองไม่เห็นอนาคตของประเทศตัวเองเลยว่ามันจะไปได้อย่างไรเกาะเล็กๆขนาดเท่าภูเก็ตแถมไม่มีน้ําจืดต้องเอาน้ําจืดมาจากมาเลเซียแล้วก็ไม่มีไม่มีทรัพยาการเลยเลยภูเก็ตยังมีดีบุกสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เมืองท่าซึ่งเต็ไมไปด้วยสลัม แล้วก็ยุงนะแต่มาถึงวันนี้เนี่ยเป็นงไงฮะสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและการลงทุนของภูมิภาคนี้ของเอเชีย น, นยีสมมติเราเรายองคำถามให้กับเด็กนะอัตมาคิดว่าถ้าเราถ้าเราตั้งคำถามดีๆเนี่ยเด็กก็จะเกิดความสนใจเกิดความอยากรื่องเห็นนะอัตมา พูดอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าตอนที่จะมาเรียนชั้นป .7 เนี่ยครูวิทยาศาสตร์ก็โยนคำถามแบบนี้ให้ไปคำถามแลื่นี้เนี่ยมันไม่มีในตำรามันไม่มีในหนังสือแต่ว่ามันชวนคิดเช่นครูถามเราว่าคนฝรั่งกับคนไทยเนี่ยหรือคนเอเชียเนี่ยใครขี้เกียจกว่ากัน เราก็บอกว่าคนเอเชียเนี่ยขี้เกียจกว่าฝรั่งนะครูบอกว่าฝรั่งอขี้เกียจกว่าเพราะว่าเขาผลิตเครื่องทุนแรงมาเยอะแยะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้มน้ําไม่ว่าจะเป็นปั๊มมอเตอร์เนี่ยซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องทุนแรงทั้งนั้นเลยนะมันแสดงว่าเขาขี้เกียจกว่าเราใช่ไหมคำตอไปนี้เนี่ยนะ มันถูกละถีไม่เป็นไรนะแต่สมคัญคือว่ามันทําให้เด็กประถมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเออเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเกิดได้เกิดคิดนอกกรอบขึ้นมาว่าความจริงอาจจะไม่อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เราเคยคิดว่าฝรั่งขยันกว่าคนไทยแต่ในความเป็นจริงอาจจะคิดเกียจกว่ก็ได้เพราะไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ผลิตเครื่องทุนแรงม า, มามากมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตักกะนะฮะ แต่ว่ามันเป็นตรรกะที่ชวนคิดที่ทำให้เราเนี่ยกล้าคิดนอกกรอบอนะอาตมาคิดว่าอย่างนี้แหละนะที่จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นเกิดความสนใจในวิชาเรียนเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อมันอาจจะเป็นบางอย่างอาจจะเป็นวิชาชีวิตด้วยซ้ำที่ช่วยทำให้เราคิดนอกกรอบมากขึ้นอาตอมาว่า ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีเราจะถามเด็กก็ได้นะว่านักเรียนทําไมนกกระยางถึงยืนขาเดียวเวลาหลับตอบได้ไหมฮะทำไมนกกระยางยืนขาเดียวเวลาหลับเคยเห็นใช่ไหมฮะนกกระยางเวลาหลับเนี่ยมันยืนขาเดียวนักเรียนตอบเท่าไหร่ก็ตอบไม่ถูกนะาต่าว่าในที่นี้ถ้าตอบก็ตอบไม่ถูกจนจนกว่าเราจะเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าแทนที่นกกระยางทําไมจึงยืนขาเดียวเวลาหลับก็เปลี่ยนเปลี่ยนว่าทําไมนกกระยาง จึงหดขาเดียวเวลาหลับถ้าเปลี่ยนคําถามใหม่เนี่ยคุณพอจะรู้คําตอบไหมทำไมนกกระยางเนี่ยจึงหดขาเดียวเวลาหลับถ้ายัางนึกคาตอบไม่ออกก็ลองถามใหม่ว่าทําไมนกกระยางไม่หดสองขาเวลาหลับพราอะไรฮะทาไมนกกระยางไม่หดสองขาเวลาหลับเพราะทํามหดสองหดสองขามก็ตกเลยต้องลมใช่ไห ม, ไหมประเด็นของคําถามอันนี้มันบอกอะไร มันให้แง่คิดอะไรกับนกเรียนให้แง่คิดว่าบางทีคําถามเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองของคำถามใหม่อาจจะพบคําตอบแทนที่จะถามว่าแทนที่จะถามว่าทําไมนกกระเรียนยืนขาเดียวเราก็ลองถามใหม่ว่าทําไมนกกระเรียนยืนทําไมนกกระเรียนนกกระเรียนโผดขาเดียวยืนขาเดียวกับโผลขาเดียวหนึ่เหมือนกันใช่ไหมฮเหมือนกับน้ําครึ่งแก้วกับน้ําหายไปครึ่งแก้วเนี่ยมันก็คื่อนเดียวกัน บางทีเราถามเท่าไรถ้าเราบางทีคําถามเนี้ยเรานึกคำตอบเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกถ้าเราติดอยู่กับคําถามที่ว่าทําไมนกกระเรียนยืนขาเดียวแต่ถ้าเรากลับเสม่ว่าทําไมนกกระเรียนหดขาเดียวหรือทําไมนกกระเรียนไม่หดสองขานะคืออันเนี้ยมันอันตมาว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นปริศนาเล่นๆ น, นะแต่ว่ามันสามารถกระตุ้นให้เด็กเนี้ยรู้จักคิด นอกกรอบมากขึ้นรู้จักตั้งคําถามใหม่คําถามเหมือนกันแต่ว่าเป็นคําถามใหม่คําถามสาระเดียวกันแต่เป็นคําถามใหม่ที่มันเปลี่ยนมุมมองทําไมนกเกเรียนไม่หดสองขาทําทไมนกกเกรียนหดขาเดียวเราก็จะพบคําตอบได้ว่าเพราะถ้ามันหดสองขามันก็จะล้มใช่ไหมฮะอาตมาคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีความใฝ่รู้นะ แต่ว่ามันไม่ถูกปลุกไม่ถูกรกระตุ้นนักเรียนนักเรียนตั้งแต่เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยล้วนแต่เต็มไปด้วยคำถามเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยอายุสองขวบสามขวบเนี่ยเป็นเด็กเจ้าเจ้าคำถามถามโน่นถามนี่แต่ว่าถามบ่อยๆพ่อแม่ก็ลาคาญก็บอกให้รูกหยุดถามใช่ฮะหรือว่าอาจจะถามตอน เป็นนักเรียนนุบานแต่ถามมากครูตอบไม่ได้เช่นเด็กเกิดมาจากไหนใช่ไหมถ้าไม่โกหกก็ต้องก็ต้องก็ต้องบอกให้เด็กหยุดถามสุดท้ายเด็กเนี่ยก็เลยไม่กล้าถามพอมาถึงเราเด็กเขาก็ไม่ถามอะไรแล้วพอเขารู้สึกว่าการถามเนี่ยคือปัญหาแต่ว่าทาไมพวกเราจึงเป็นมากที่ต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักตั้งคาถามโดยการที่เราโยนคาถามให้กับเด็ก ทำไมทำไมทำไมเด็กก็จะเกิดความอยากรู้อยากเห็นแต่เราจะถามแบบนี้ได้นี่นะตมาว่ามันต้องเกิดจากการที่ครูเนี่ยได้ใฝ่รู้ใฝ่รู้จกนกระทั่งได้เจอได้เห็นได้พบเรื่องอะไรแปลกๆและขณะเดียวกันครูเองก็รู้จักตั้งคำถามด้วยนั้นเกิดว่าครูเนี่ยมีความใฝ่รู้นะในวิชาที่ตัวเองสอน ครูก็จะมีก็จะมีลูกเล่นมีกิมบิกมากมายที่สามารถที่จะสอนเด็กเนี่ยให้อยากรู้อยากเห็นเหมือนกับเราและเด็กก็จะเริ่มสนุกเด็กก็จะเริ่มรอว่าเมื่อไหร่ครูจะมาแล้วเด็กก็จะรักวิชานั้นและจตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเด็กเนี่ยเขาจะได้คิดว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนเนี่ย ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาคะแนนแต่เพื่อเสริมสร้างความรู้อาตอมาเรียนหนังสือมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีนะหนึ่งในเจ็ดเนี่ยของเนือเจ็ดอันดับต้นต้ของโรงเรียนของชั้นเนี่ยนะไม่เคยพลาดแต่ไม่มีความสุขนะเรียนเพราะกลัวถูกลงโทษ พอโรงเรียนพอโรงเรียนที่ยวตมาเรียนเนี่ยคือเรืองอสัมชัญเนี่ยดุมากไมเรียวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ครูต้องมีสอบตอบคิดก็ถูกตีวิชาจดหมายไม่ทราบเคยเรียนไหมครับวิชาจดหมายอ่ะต้องต้องตีเส้นตีซองใช่ไหมตีซองขาไปหนึ่งเซนก็ถูกตีซึ่งบางทีมันไร้สาระนะเพราะว่าในในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องตีซองเพราะเราไปแค่ไปซื้อซองจดหมายมาใช่ไหม แต่ก็ถูกตีอาตมาเรียนไม่มีความสุงนะทั้งด้านเรียนเก่งจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดสว่างว่าขึ้นมานะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเกิดถามขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเรียนหนังสือเพื่ออะไรไม่เคยถามเลยนะเรียนไปทําไมตอนนั้นอยู่มศ .2 แล้วคําตอบหนึ่งก็คือว่าเรียนเพื่อเอาความรู้นี่คือคําตอบของเด็กว่ามศ .2 มันเนีมันเกิดความคิดว่าเราควรจะเรียนเพื่อเอาความรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาคะแนนและนับแต่นับแต่นั้นเนี่ยอาตมาเรียนยังมีความสุเพราะว่าอาตมาแคร์เรื่องคะแนนน้อยแต่ก่อนเนี่ยสนใจเรื่องคะแนนมากเลยตอนหลังเนี่ยเวลาเวลาเรียนหรือเวลาสอบเนี่ยจะสนใจเรื่องคะแนนเนี่ยน้อยมากมันไม่มีความหมายเท่าไหร่ต่อไปแล้วเพราะว่าเราเรียนเพื่อเอาความรู้ เพราะฉะันเนี่ยวววอาตมาเนี่ยอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่านห น, นังสือเรียนเนี่ยจบทุกวิชาตั้งแต่เทอมแรกแล้วที่เหลือก็ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดนะมันเกิดความมันเกิดความรู้เกิดความรักที่จะรู้เกิดความใฝ่รู้ขึ้นมาโดยที่ครูไม่ต้องเคี่ยวเข็นหนังสือเรียนเนี่ยอ่านจบตั้งแต่เทอมแรกนะไม่ไม่ไม่ แล้วก็อยากจะอยากจะรู้มากขึ้นแล้วความความความสนุกในการเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอมาพบว่าเรียนเพื่อเอาความรู้ตอนหลังพอโตขึ้นมาอีกสองสมปีก็พบว่าเราเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เอาความรู้ท่านนั้นไม่พอเราต้องเรียนเพื่อไปทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพื่อช่วงนั้นมันเกิดเหตุการณ์14ตุลาพอดีนะฮะกระแสะตื่นตัวเรื่อง สันึกเพื่อมวลชนเนี่ยการศึกษาเพื่มมวลชนเนี่ยมันก็แพร่หลายอาตมาอยู่มศ ส, สามเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้ว่าคนเราเนี่ยควรจะเรียนเพื่อรับใช้ประชาชนเคยได้ยินไหมฮะเพียงหวังจะเฟื่องฟูงหรือถึงมุ่งมาศึกษาเพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นหรือแท้ควรสหายคิดและตั้งจิตเริ่มยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เราเรียนเคยได้ฟังกลอนนี้ไหมฮะถ้ารุ่นอาตมาเนี่ยนะ แล้วถ้าอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยจะคุ้นกับกรอนที่มากนะรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เราเรียนคือความเรียนไม่ได้เรียนเพื่อเอาความรู้เท่านั้นนะเรียนเพื่อไปรับใช้ประชาชนนะอันนั้นก็ไปอีกเรื่องเลยนะฮะแต่ว่าประเด็นคือว่าเพียงแค่เด็กเนี่ยรู้จักเรียนเพื่อเอาความรู้เนี่ยอาตมาช่วยเลยนะว่ามุมมองและท่าทีในการเรียนเขาจะเปลี่ยนไป เด็กที่เรียนเพื่อเอาความรู้นะเขาจะไม่เขาจะตั้งใจเรียนเขาจะเขาจะไม่โกงเวลาทํารายงานนะเขาจะไม่ลอกการบ้านพอาะเขาถือว่าการทํำกามาด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวมีความรู้นะไอการโกงข้อสอบเนี่ยการทุดจริในห้องสอบเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเพื่อเอาคะแนนและแม้แม้แม้จะถูกตัดคะแนนไปเขาก็ไม่เสียใจ อาตมารู้จักเด็กคนนึงนะชื่อยุ้ยนะแกเป็นผู้หญิงมารู้จักอาตมาเนี่ยเพราะว่าแกเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนั้นแกคิดว่าแกจะตายก็มีมุลนิธิหนึ่งเนี่ยมาหาแกบอกว่าอยากจะตอบสนองความต้องการครั้งสุดท้ายในชีวิตนะแกก็บอกว่าอยากจะมาพบอาตมาที่วัดแกอยู่กาลสินนะมาอาตมาที่ชัยภูมิอาตมาก็งงนะว่าแกรู้จักอาตมาได้ไงแกบอกแกเคือ่านหนังสือความปรารถนาสุดท้ายในแกไม่ใช่อยากจะไปพบซิโก้นะ อากหรืออยากจะไปเจอดาราเด็กบางคนเนี่ยความปรนนสุดท้ายอยากจะเจอซิโ ก, โก้อยากจะไปเจอรีซอนัดฟุตบอลอยากจะไปเจอดาราหรืออยากจะไปเที่ยวภูกเก็ตแต่แต่คนนี้ยอยากจะไปหาอาตมาธิวะแล้วก็เลยรู้จักกันตั้งแต่นั้นนะแล้วก็แกก็เล่าว่าเด็กแกเป็นเด็กที่ขยันมากแกเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยมีการสอบ วิชาภาษาจีนมั้งตอนนั้นแกก็อย um. 4, this, ู่ประมาณมมสี่มห <thấy> in ้าแล้วคือเมื่อสองสปีที่แล้วครูเนี่ยบอกกับนักเรียนทุกคนในชั้นว่าห้ามทุบจิริตเพราะว่าทุบจิริศเยอะเหลือเกินในห้องสอบครูครูว่าถ้านักเรียนคนไหนทุบจิริศในห้องสอบถ้าจับได้เนี่ยจะตัดคะแนนทุกคนในห้องคนละยี่สิบคะแนนทุกคนเลยนะครูขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีเด็ก ทุจริและครูจับได้ครูก็ทําตามที่พูดคือตัดคะแนนทุกคนยี่สิคะแนนในชั้นนักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็มาด่าแกมาด่าเด็กคนนี้ว่าทําให้ตัวเองเนี่ยถูกตัดคะแนนนักเรียนคนนี้ก็รู้สึกผิดนะสำนึกผิดก็ไปขอโทษขอโทษ น, นักเรียนทุกคนในชั้นบางคนก็ไม่ยอมให้อภัยเด็กคนนี้ก็ไปขอโทษยุ้ยนะยุ้ยก็บอกว่าเนี่ย ไม่เป็นไรนะฉันไม่โกรธเธอเลยแล้วยุ้ยก็บอกว่าเนี่ยครูเนี่ยตัดได้แต่คะแนนแต่ไม่สามารถจะเอาความรู้จะไปจากไปจากชั้นได้ความรู้ที่ฉันมีเนี่ยครูเอาไปไม่ได้ครูเอาไปได้แต่คะแนนของฉันนะเด็กนี่ฮะเด็กที่เป็นเด็กที่คือแกไม่แคร์เลยนะที่ครูจะตัดคะแนนเพราะแกรู้ว่าแก สําเร็จประโยชน์ของการเรียนแล้วคือได้ความรู้ดงนั้นดุยก็เลยไม่โกรธเพื่อนที่ทําให้ตัวเองเนี่ยถูกตัดคะแนนทั้าที่ยุยเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเป็นตัวแทนของจังหวัดไปสอบแข่งขันในระดับประเทศนี่เป็นประจําแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความใฝ่รู้ไม่ได้เรียนเพื่อเอ า, เอาความรู้ไม่ได้มุ่งเอาคะแนนอัตมาว่าถ้าเราเจอนักเรียนแบบนี้นะ เราซึ่งเป็นครูก็จะมีความสุขและเราก็จะมีกาลังใจในการสอนแต่เราจะมีนักเรียนแบบนี้ได้เนี่ยอัตมาว่าครูเป็นสิ่งสำคัญถ้าครูสามารถกระตุ้นความใฝ่รู้ในใจเด็กขึ้นมาได้เนี่ยเด็กก็จะเรียนด้วยความสนุกแล้วเราก็จะมีความสุขในการสอนมากขึ้นทุกวันนี้เนี่ยครูไม่มีความสุขนะเพราะว่านักเรียน ไม่เอาใจใส่ในการเรียนแม้แต่อาจารย์แพทย์นะในหมอชลัยแพทย์เจตมาพูดเนี่ยครูอาจารย์แพทย์หลายคนทอนะเพราะว่าเวลาเวลาเลคเชอร์เนี่ยจะบอกว่านักเรียนครึ่งครึ่งห้องเลยก้มหน้าร่วมหน้าทํำอะไรฮะเล่นเล่นเช็ดเล่นเ ช, เนเช็เล่นลายเล่นเกมนี่ขนาดนักศึกษาแพทย์นะนักศึกษาแพทย์เลย ครูเนี่ยอาจา ร, รย์แพทย์เนี่ยท้อไม่มีความสุขไม่อยากเป็นอาจา ร, รย์อยากจะไปเป็นแพทย์มากอยากจะไปเป็นแพทย์าารักษาคนไข้มากกว่าแต่สมาคิกว่าวอันนี้นจะโทษตั้งเรียนไม่ได้นะมางทีต้องโทษครูด้วยว่าครูเนี่ยมีความสนุกในการสอนไม่มีความสุขในการสอนไหมมีความใฝ่รู้มีความรักในวิชาที่ตัวอสอนหรือเปล่าแล้สมาคิกว่าวเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะความสุขของครูเนี่ย ปการแกเลยก็คือความสุขที่ได้สอนความรักในวิชาที่ตัวเองสอนแล้วคนเราพอมีฉันท่าแล้วนะความเหนื่อยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยอาตมาจะเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะมันมีคนสามคนเนี่ยกออิดกันอยู่ใกล้ๆคนแรกเนี่ยกออิดเนี่ยกออิดไปสักพักเดี๋ยวก็หยุด สูบุรีสูบุรีแต่ละแต่ละมวนแต่ละมวนเนี่ยก็สูบแบบอ้อยอิงรู้เลยว่าเนี่ยกาลังอู้กาลังฆ่าเวลาพอสูบเสร็จก็ค่อยๆยื้อแย่งมาก่ออิดทีละก้อนทีละก้อนแบบเชื่องช้าคนที่สองเนี่ยนะก็ดูขยันขันแข็งขึ้นมาหน่อยกระตือรืร้นขึ้นมาหน่อยแต่ทําไปก็ดูนาฬิกาไปพอตอนนั้นเนี่ยมันประมาณสี่โมงเย็นแล้วคนที่สามเนี่ยนะกระตือรือร้นมากนะ เงือเนี่ยเต็มหลังเลยนะแต่ว่าทํางานไม่หยุดก่ออีกก้อนแล้วก็เล่าก้อนแล้วก็เล่า แ, แล้วก็อิดมันอิดมันก็กําแพงที่ก่อ น, นี่ก็สูงกว่าคนหนึ่งเมื่อไปถามคนแรกว่าถามว่าคุณทําอะไรเขาตอบว่ากําลังก่ออีกครับถามคนที่สองนที่สองตอบว่าผมกาลังก่อกําแพงถามคนที่สามเขาตอบผมกําลังสร้างวัดครับ คนแรกบอกตอบตอบอว่าก่ออิฐคนที่สองก่อกำแพงคนที่สสร้างวัดสมคนทำงานอย่างเดียวกันแต่ผลงานแตกต่างกันและความกระตือรือร้นก็แตกต่างกันเพราะอะไรฮะคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วจากคําตอบของเขาคนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาเพียงแค่ก่ออิฐนะเขาไม่ได้มองเลยไปไกลกว่า น, นั้นคนที่สองมองไกลไปอีกหน่อยมองว่าก่อกําแพงแต่คนที่สามเนี่ยมองไกลไปถึงว่ากํกลาลังสร้างวัดแล้วคนไทยเนี่ยถ้า ความรู้สึกว่าการสร้างวัดเนี่ยเป็นเรื่องบุญกุศลมากเขาบอกว่าเขากำลังอุปถัมภารุงพุทธศาสนาเขากำลังสร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีความสุขที่ได้ทําคนที่หนึ่งคนที่สองไม่มีความสุขนะแต่ทําไมทำฮะเพราะต้องการเงินเดือนแต่คนที่หนึ่งเนี่ยอยากได้เงินเดือนแต่ไม่อยากทําก็เลยอู้คนที่สองดีหน่อยไม่อู้แต่ว่าก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่จะ เลิกงานสักทีตัวเองจะได้กลับบ้านเพราะไม่อยากทํางานแต่คนที่สามนี่เขาอยากทํำฮะเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้กำลังทําสิ่งที่มีคุณค่าคนที่สามนี่เหนื่อยแต่มีความสุขเพราะเขามีวิสัยทัศน์เขาเห็นว่าเขากําลังทํากําลังทําอะไรเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทําคนที่ 1, คนทสองไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่เห็นแต่เพียงว่านี่คืออาชีพเอาแต่มาว่าครูก็มี แบบนี้นะครูก็มีสาประเภทเหมือนกันนะไม่ต่างจาช่างก่ออิฐเราอยากจะเป็นครูประเภทไหนฮะหนึ่งสองหรือว่าสานะถ้าเราจะเป็นครูประเภทที่สามเนี่ยคือครูที่มีความสุขการทําแม้จะเหนื่อยเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําเราไม่ได้เป็นครูเพราะว่าต้องการเงินเดือนจะได้มีเงินไปผ่อนรถผ่อนบ้าน ใช่ไหมแต่เราเป็นครูเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําว่าเรากำลังสร้างเด็กนี่ไม่ใช่แค่อาชีพแต่นี่คือการการที่เราได้มีส่วนสร้างอนาคตของเด็กถ้าว่าครูเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำว่าเรากำลังสร้างเด็กสร้างชาติด้วยซ้ำนะเราก็จะทำงานด้วยความกระตือรือร้น น, นะ แม้จะเหนื่อยแม้จะทำงานนอกเวลาก็ไม่บน่นเพราะว่าเรากำลังมีส่วนในการสร้างชาติมีก ว, วนส่วนกำลังสร้างโลกมีส่วนในการสร้างอนาคตให้ ก, กับเด็ก เ, เมื่อประมาณ50สิปีที่แล้วเนี่ยเื่อเกือบ60สปีที่แล้วรัเสเซียเนี่ยทำให้อเมริกาตกตะลึงเพราะว่าสามารถที่จะส่ง ยานอาวกาศขึ้นไปโครจรรอบโลกได้ประเทศที่ส่งยานอาวกับไปโครจรรอบโลกนี่ไม่ใช่อเมริกานะัคือรัเสเซียซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นศัตรูคู่ปรับของอเมริกาอเมริกาตกตะลึงและรู้สึกว่าถูกยามเสียหน้าก็เลยเกิดการแข่งขันที่จะส่งยานอาวกาศไปโครจรรอบโลกและอเมริกาฝันว่าจะส่งยานากับ ไปถึงดวงจันทร์ก็เลยเกิดการตั้งโครงการองค์การนาซาขึ้นมาการส่งมนุษย์ไปโคจรรอบโลกและไปดวงจันทร์กลายเป็นวาระสําคัญของชาติเป็นวาระของสําคัญของชาติเลยนะฮะการส่มรึกไปดวงจันทร์เนี่ยเมื่อห้าสิปีที่แล้ววันนึงเนี่ยมีนักข่าวคนหนึ่งไปองค์การนาซาแต่เช้าเลยก็เห็นคุณป้าคนนึ่งกำลังกําลังขัด หูพื้นด้วยความกระตือรือร้นเะช้าตรู่นะก่อนเวลาทำงานนะฮะนักข่าวนี้ก็แปลกใจก็เลยไปคุยกับคุณป้าคุยไปคุยมาในคุณป้ากระบอก่แกะกำลังเนี่ยที่แกทำเนี่ยนะก็เพื่อที่จะได้ช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยประสบความเสเร็จในการส่งยาละอกาศไปดวงจันทร์ คุณป้าในแกคิดว่าแกกำลังมีส่วนช่วยให้อเมริกาเนี่ยชนะรัสเซียนะในการส่งยาวอากาศไปดวงจันทร์เทียงแค่ถูพื้นเท่านั้นแหละคุณป้าในแกก็ไม่รู้สึกว่าการถูพื้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อทําไมแกมีความกระตือรือร้นนะฮะในการทําเพราะแกคิดว่าแกไม่ได้ทำเพื่อเงินเดือนแกไม่ได้ทำเพียงแค่เพื่อให้ห้องนี้สะอาดแต่แกทําเพื่อช่วยให้อเมริกาเนี่ยส่งยาวอากาศไปดวงจันทร์ได้สําเร็จ แกโอ้แกขี้ข้ามช็อตมากเลยอันนี้เรามีวิสัยทัศนะดันั้นแกแกไม่ได้คิดว่า ง, งานที่แกทําเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแกคิดว่า ง, งานที่แกทำเนี่ยเป็นส่วนของการทําให้ความมุ่งความมุ่งหวังของของชาติทั้งชาติเนี่ยสำเร็จเป็นจริงถ้าครูทุกคนเนี่ยนะมีความมีวิสัยทัศน์แบบนี้ก็คือว่าที่เป็นครูเนี่ยนะเพื่อช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็ก เพื่อช่วยช่วยสร้างประเทศชาติเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจทุกคนเนี่ยมีความคิดไปในแนวเดียวกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่างานที่ตัวเองทำนั้นคือการสร้างชาติการฟื้นฟูประเทศชาติดันั้นทุกคนทำด้วยความทุ่มเท และสิ่งที่ตามมาคือการมีความสุขมีความสุขและภาคภูมิใจเราคิดว่าครูจะมีความสุขได้นะต้องมีสายตาและวิสัยทัศน์แบบนี้แต่ถ้าคิดว่าเพียงแค่สอนเพื่อได้เงินเดือนเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจะทำงานไม่มีความสุขแล้วฮะจะไม่ต่างจากช่างก่ออีกคนที่หนึ่งคนที่สอง ทำงานไปก็อู้ไปทำงานไปก็รอดูนาฬิกาเมื่อเมื่อไหร่จะเลิกเรียนเหมือนกับที่หลายคนทำงานเพื่อรอวันศุกร์รอเย็นวันศุกร์แล้วก็พอถึงเย็นวันอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มอึอดอัดเริ่มไม่สบายใจเพราะว่าวันจันทร์เช้าต้องไปทำงานไม่อยากไปเพรนฉันนะฉันทะนะนันทะมันเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเห็นคุณค่าของงานที่เราทําและเท่าไรคุณค่าเพราะเรามีสายตาที่ยาวไกลและตรมาคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่างานของเราเนี่ยไม่ใช่แค่สอนหนังสือนะแต่ว่าสอนวิชาชีวิตด้วยนะอาตมาว่าล่าสมัยเลยนะสอนหนังสือสอนหนังสือนี่ล่าสมัยแล้วเพราะว่าการสอนเนี่ยมันไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ และการสอนเนี่ยที่ที่ถูกต้องเนี่ยควรจะไปให้พ้นมากกว่าขอบข่ายของหนังสือคือสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องชีวิตถ้าครูเนี่ยจำกัดการสอนตัวเนี่ยอยู่แต่วิชาในหนังสือนะอาตมาว่าแคบแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่ออาตมาพวกครูหลายคน เ, นเป็นที่รักของเซตเนี่ยนะพอเขาสอนวิชาชีวิตอาตมาเจอพบครูคนหนึ่งนะ เป็นที่รักของนักเรียนนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยนักเรียนบัธยมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ครูคนอื่นเนี่ยเคยหายว่าเป็นเด็กเหลือขอนะาต่มาในรเรียนของเราจะ ค, คงต้องมีเด็กเหลือขอนะแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นเด็กที่เหลือขอจริงๆมันไม่เรียนหนังสือเลยนะแล้วก็เกเรแต่ว่าพอมาเจอครูคนนี้เนี่ยเป็นครูผู้หญิงครูคนนี้มีเมตตา เป็นคนที่เข้าใจเด็กที่มีปัญหาเป็นครูที่ไม่ได้วัดคนด้วยคะแนนเป็นครูที่ให้โอกาสกับเด็กเด็กแม้จะไม่ตั้งใจเรียนแม้จะเกเรแต่ครูก็มีน้ำใจแล้วก็พยายามเป็นเพื่อนกับเขาเป็นกันเองกับเขาไม่เอาเรื่องหยุมย่มยิ้มเช่นการไว้ผมยาวหรือว่าการพูดจาไม่สุภาพเนี่ยมาเป็น มาเป็นเครื่องกีดกันเพราะว่าครูเนี่ยเห็นว่าเด็กเนี่ยยังมีดีอยู่ในตัวความเมตตาความรักรวมทั้งความเข้าใจเด็กสามารถจะชนะใจเด็กกลุ่มนี้ได้แลวเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาเรียนหนังสือแล้วก็เรียนจบชั้นม .6 และตอนหลังเนี่ยก็เป็นเด็กที่ เอาดีทางด้านการเรียนได้บางคนก็หลายคนก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บางคนก็ต่อปริญญาโทจากเด็กซึ่งเกเรไม่เอาไหนนะก่อกวนครูนะกลายเป็นเด็กซึ่งกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็กลับมากลับมาใส่ใจเรื่องการเรียนเพราะว่าเจอครูซึ่งไม่ได้เป็นครูที่สอนวิชา อะไรเลยนะแต่ทําให้เด็กเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองไม่รังเกียจไม่เหยียดหยามตัวเองไม่ดูถูกตัวเองคือเด็กเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขามีดีในตัวนะเขาก็อยากจะทําดีแต่เด็กจํานวนไม่น้อยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาเอาดีไม่ได้เขาก็เลยไปเด่นทางชั่วแทนเป็นอย่างนี้มากเลยน ะ, ะเด็กเกเรหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาเอาดีไม่ได้แล้วเขาก็เลยไป ไปเอาเด่นทางชั่วเด็กหลายคนนี่ไม่เคยจะรับคาชมมีแต่คำดา่าแต่ว่าครูคนนี้เนี่ยนะสามารถทำให้เด็กเนี่ยกลับมาเห็นคุณงามความดีหรือเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องวิชาชีวิตนะฮะมันไม่ใช่เป็นวิชาหนังสือครูเนี่ยจะต้องมีจะต้องสามารถที่จะสอน กว้างไปกว่าวิชาหนังสือสอนวิชาชีวิตและวิชาชีพเนี่ยคุณสอนได้ในห้องเรียนฮะตัวอย่างที่จะมายกตัวอย่างเรื่องคําถามต่างๆขึ้นเนี่ยนะมันเป็นการที่ช่วยทําให้เด็กมีมุมมองที่กว้างขึ้นและอีกทั้ง ถ, ถ, ถ้าครูมีเวลาให้กับเด็กหลังไม่ใช่ในห้องเรียนแต่นอกห้องเรียนด้วยเนี่ยจะช่วยเด็กมากนะฮะเด็กหลายคนเป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยไม่ใช่เพราะวิชาไม่ใช่เพราะเวลาที่ครูให้ในห้องเรียนนะฮะ แ ต, แต่เป็นเพราะครูให้เวลานอกห้องเรียนเป็นเพื่อนเขา <c oughs> เป็นกัลยะาณมิตรอดทนต่อถ้อยคำและพฤติกรรมที่อาจจะไม่สุภาพ <c oughs> ไม่มีมารยาทนะ้สมาชิกว่าครูเนี่ยถ้าหากว่านอกจากความใฝ่รู้แน่นในวิชาที่ตัวเองสอนแล้วมีเมตตาด้วยมีความเข้าใจเด็ก นะไม่ไม่ติดเรื่องหยุ่มยิ้มนะเช่นการไว้ผมนะต้องไว้ผมสั้นแต่งตัวให้เป็นระเบียบนะพูดจาสุภาพไม่มีกูไม่มีมึงถ้าหากว่าข้ามตรงนี้ไปได้เนี่ยบางทีจะสามารถชนะใจเด็กได้ชนะด้วยเมตตาฮะเห็เมตตาของครูนี่สําคัญเหมือนกันเมตตาความรับความเข้าใจเมตตาในตัวมันเองเนี่ยทำให้เจ้าตัวมีความสุข เพราะเป็นความสงบเย็นและสามารถที่จะชนะใจคนอื่นรวมทั้ง น, นักเรียนได้เมตตาชนะใจเพื่อนบ้านที่เอาเปรียบเราได้านกันนะฮะหลายคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่รั้วติด ก, กันอันนั้นเพราะไม่รู้จักใช้ความม่าเมตตาให้เป็นประโยชน์ถ้ามีเมตตาเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเกิดแรงบันดาลใจ และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มความสุขให้กับครูครูมีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนซึ่งหรือเด็กที่เหลือขอแล้วเนี่ยกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งนี่คือความสุขของครูไม่ใช่เพราะว่าได้เลื่อนขั้นไม่ใช่เพราะว่าได้ถ้วยไม่ใช่เพราะาได้รางวัลนะแต่เพราะเราเห็นเด็กมีความสุขเด็กกลับมามีอนาคตนะมีคาพูดหนึ่งเขาเขาพูดเอาไว้นะฮะ ก็จะเป็นเป็นคำพูดที่มาจากครูคนหนึ่งอะตมาก็ไม่ไม่ทราบชื่อนะเขบอกว่าครูที่ดีเนี่ยแค่สอนครูที่ดีกว่าสาธิตสาธิตคือทําให้ดูรวมทั้งอยู่ให้เห็นด้วยนะอาจจะเป็นการสาธิตในวิชาเรียนหรือว่าสาธิตจากการแสดงแสดงให้เห็นที่เขาเรียกว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นนะครูที่ดีสอนแค่ครูที่ดีแค่สอน ครูที่ดีกว่าสาธิตด้วยครูที่ดีที่สุดคือให้แรงบันดาลใจถ้าสอนเนี่ยยังแค่อยู่ในระดับต้นนะต้องสาธิตต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นและที่ดีกว่านั้นคือสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะแรงบันดาลใจในวิชาที่เรียนหรือแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตพูดถึงการสอนนะ่าจะมาคิดว่าความ ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของการศึกษาไทยคือเป็นเนเรื่องการสอนของครูมากกว่าจะเน้นการเรียนรู้ของเด็กการศึกษาเนี่ยถูกตีความว่าเท่ากับการสอนของครูแต่ธรรมะว่าการศึกษาที่สำคัญคือการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าเราจะพบว่าเด็กเนี่ยหลายคนทุกวันเนี่ เรียนรู้หลาสิ่งหลาอย่างโดยที่ไม่มีครูสอนเลยเขาเรียนรู้จากดาราเขาเรียนรู้จากนักร้องเขาเรียนรู้จากศิลปินถูกหรือผิดอีกเรื่องนึงนะแต่ในทุกวันนี้เด็กเขาเรียนรู้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีครูสอนแต่เราพบว่าหลายครั้งเนี่ยสอนเท่าไหร่เนี่ยถ้าเด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะศูนย์เปล่าทุกวันนี้เราเป็นเรื่องการสอนของครูมากกว่าเน้นเรื่องการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก อัตมาว่าถ้าเราสอนให้น้อยลงแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้มากขึ้นจะดีทราบไหมฮะว่าเมืองไทยเนี่ยการสอนในห้องเรียนการสอนของครูเนี่ยชั่วโมงเรียนเนี่ยมากที่สุดในโลกนะฮะปีละพันสองรอยชั่วโมงมากที่สุดในโลกนะแต่ทาไมเด็กคุณภาพด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา จริยธรรมกับตกต่ำย่ำแย่ในขณะที่สิงคโปร์หรือว่าฟินแลนด์ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งได้รับการทรลุไปอันดับหนึ่งของทางด้านการศึกษาการสอนในห้องเรียนเนี่ยแค่ปีละ700ชั่วโมงของไทยพัน0นะของฟินแลนด์เนี่ย700ชั่วโมงญี่ปุ่นก็ประมาณ800ชั่วโมง สิงคโปร์ก็ประมาณนี้แหละเจ็ดแปดร้อยชั่วโมงแต่ทําไมคุณภาพของเขาดีกว่าคุณภาพของเด็กดีกว่างบ ป, ประมาณที่เราทุ่มเทไปเพการศารก็เยอะนะฮะสูงเป็นระดับต้นๆของโลกแต่ทําไมผลผลิตออกมาคือคุณภาพเด็กตกต่ำอันตายอันตรายส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นในเรื่องการสอนมากกว่าการเรียนรู้นในเรื่องการสอนของเด็กมากกว่ก า, า ก, ก, การเรียนรู้ของเด็ก สิงคโปร์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยขนาด 7-8 ชั่วโมงเขยังถือว่าเยอะไปเลยนะฮะตอนนี้เขามีนโยบายว่าสอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้น teach less learn more สิงคโปร์ฮะบอกว่านโยบายการศานะึกษาคือ teach less ส, สอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้นของไทยเราเนี่ยเราเปไ็นในเรื่องการสอนแต่เราลืมเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก อัตรมาคิดว่าจะต้องส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ของเด็กให้มากขึ้นและครูต้องสอนให้น้อยลงสอนให้น้อยลงแต่กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้มากขึ้นอันตมาประทับใจที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะโรงเรียนชื่อวังสวัสดีที่นครสวรรค์อันนี้ก็หลายปีมาแล้วโรงเรียนนี้เนี่ยแกจะเน้นให้นักเรียนเนี่ย ไม่เรียนรู้จํากัดแต่เฉพาะในห้องเรียนแต่ว่าไปเรียนรู้จากข้างนอกด้วยและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ของเด็กก็คือแปลงผักเดี๋ยวทุกคนมีแปลงผักอยู่แปลงหนึ่งและวิชาทุกวิชาแทบทุกวิชาเลยเนี่ยต้องอิงกับแปลงผักเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นะก็อาศัยการเรียนรู้จากแปลงผักนี่แหละจะเป็นต้นไม้จะเป็นผักจะเป็นมเมล็ดจะเป็น ดินเป็นปุ๋ยมแมลงดูที่แปลงผักนี่แหละวิชาภาษาอังกฤษก็สายแปลงผักวิชาภาษาไทยเรียงความก็แปลงผักวิชาคณิตศาสตร์ก็แปลงผักคือเอาเอาผักไปขายเอาไปขายเนี่ยมันก็ต้องต้องมีต้องมีการคำนวณเรื่องเองินเรื่องทองแม้แต่วิชาศิลธรรมก็สายแปลงผักนะมีคราหนึ่งด็กคนนึงเนี่ยแก แกกำลังแกไปแกไปลดน้ําแปลงผักของตัวเองก็ไปเห็นแปลงผักของเพื่อนเนี่ยมันมีหนอนมันมีแมลงเดี๋ยกก็รู้สึกดีใจนะที่แปลงผักของเพื่อนเนี่ยมีหนอนมีแมลงเพราะว่าจะทําให้แปลงผักของเพื่อนเนี่ยมันสู้แปลงผักของตัวเองไม่ได้เด็กคิดแบบนี้แล้ววันสองวันต่อมาเด็กพราะว่าไอ้หนอนในแปลงผักของเพื่อนเนี่ย มันก็ฆ่ามาที่แปลงผักของตัวเองก็กลายไปว่าแปลงผักตัวเองก็แย่ไปด้วยครูแทนที่จะบอกเด็กว่าเนี่ยนิทานลุงนิสอนว่าอะไรแทนที่จะครูจะบอกเด็กครูถามว่าเนี่ยเรื่องนี้เธอได้บทเรียนอย่างไรบ้างครูถามเด็กนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเธอได้บทเรียนอะไรเด็กตอบเองเลยนะว่าแปลงผักของเธอเนี่ย มันแย่ไม่ออกจากแปลงผักของคนอื่นถ้าเธอปล่อยให้แปลงผักของเพื่อนแย่ในสุดแปลงผักของเธอก็จะแย่ด้วยมันหมายความว่าถ้าเราอยากถ้าเราช่วยผู้อื่นประโยชน์ก็จะตกถึงเราด้วยแต่ถ้าเราไม่ช่วยเขาในสุดเราก็จะเดือดร้อนเด็กพบเด็กพบคําตอบด้วยตัวเองนะฮะนี่คือวิชาศิลธรรมฮะ ก็คือคนเราต้องช่วยกันความสุขของเราแยกไม่ออกจากความสุขของคนอื่นความสุขของเราต้องผูกพันพึ่งพิงกับความสุขของคนอื่นความสุขของคนอื่นน่าสนใจคือครูเนี่ยไม่ได้บอกว่าเนี่ยเนี่ยที่เธอเป็นอย่างนี้เพราะว่าเธอเนี่ยไม่สนใจแปลงของเพื่อนเธอไปปล่อยปลาแล้วเลยให้แปลงของเพื่อนเนี่ยโดนนอนกัดครูไม่ได้สอนนะแต่ครูถามเด็กว่า เรื่องนี้เธอได้เรียนรู้ว่าอย่างไรอันตมาว่าถ้าเราสอนให้น้อยลงกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ให้มากขึ้นเนี่ยเด็กเราจะฉลาดและเด็กเราจะมีความสุขการเรียนมากขึ้นสำคัญมากนะฮะสอนให้น้อยลงส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้นนะอันนี้ต้องอาศัยการกระตุ้นอาศัยการตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าสอนอย่างไรให้มีความสูงเนี่ยก็อาจจะอาจจะอาจจะแคบไปนะ เพราะมันต้องรวมถึงการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กหรือการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กด้วยเราจะสอนแต่เราจะสอนตะพื้นๆไม่ได้เราต้องกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กนะฮะคราวนี้เี่อาจารย์พูมทั้งหมดเนี่ยนะมันยังพูดเพียงแค่ด้านด้านเดียวหรือส่วนของความเป็นครูเป็นครูอย่างไรให้มีความสุขนะที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นคาถามเดียวกับว่า เป็นคนอย่างไรให้มีความสุขมันเป็นคําถามเดียวกับว่าเป็นพระอย่างไรให้มีความสุขพระกับครูเนี่ยหน้าที่คนละอย่างแต่ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเรามีหลายอย่างที่เหมือนกันหน้าที่เราต่างกันแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีหลายอย่างที่เหมือนกันเป็นครูอย่างไรให้มีความสุขเนี่ยเป็นคําถามเดียวกับว่าเป็นคนอย่างไรให้มีความสุขเป็นคําถามเดียวกับว่าเป็นพระอย่างไรให้มีความสุขคําถามนี้เนี่ยมัน มันไม่เกี่ยวข้องกับมันมันมากไปกว่าเรื่องหน้าที่นะแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่เรื่องการดรงชีวิตเป็นพระอย่างไรจึงนี้มีความสุขฮะถ้าเป็นพระที่อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากได้สมณศั ก, กดิก์อยากรวยเนี่ยมีความสุขยากนะฮะพระจำนวนกไม่น้อยมีความทุกข์เพราะว่าอยากได้สมณศักดิ์อยากได้เป็นเจ้าพระครูเป็นเจ้าคุณ อยากมีวัดที่ใหญ่ขึ้นอยากมีทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นแต่ถ้าพระเนี่ยไม่แคร์เรื่องพวกนี้อยู่อย่างเรียบง่ายสมถะจะมีความสุขและเป็นความสุขที่ง่ายมากเลยเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปเรียกร้องดิ้นรนจากอะไรเพียงแค่ทาใจกับชีวิตที่เรียบง่ายครูก็เหมือนกันฮะถ้าครู ปรารถนาตำแหน่งปรารถนาการเลื่อนขั้นนะปรารถนาอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากมีรถคันใหม่มีความสุขยากครูจะมีความสุขได้ง่ายเนี่ยถ้ า, ากว่ามีความสมัทมีความสันโดษพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ไม่กระตือกลือร้อนในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นครูธรรมดาก็มีความสุขได้ไม่ต้องเป็นผู้อำนวยการหากว่าไม่ไม่ไม่ไม่หวังในเรื่องลาบยศสารเสริญนะฮะความสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากฉั้นถามว่าครูจะจะความเป็นครูเป็นครูอย่า ง, งอะไรที่มีความสุขนะก็ตอบได้ว่าพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายสมถะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครความทุกข์ของครูทั่วนี้เกิดจากการเปรียบเทียบ และพอเปรียบเทียบแล้วนะคุณจะไม่มีความสุขเลยเพราะคุณใจเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเขาได้มากได้ดีกว่าเราอยู่เสมอและคุณได้มากเท่าไหร่คุณจะไม่มีความสุขเมื่อคุณเปรียบเทียบคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นเขาเห็นมีมากกว่ามาตรามีเพื่อนคนหนึ่งนะะคือเล่าว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเคยเคยเล่นพุ่นเป็นอาชีพแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าพลาวไปเยอะแล้ว เขาแบอกว่าเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นนะอย่าหวังความสุขหุ้นเนี่ยเล่นหุ้นเนี่ยมันได้เงินก็จริงแต่ว่าไม่ได้ความสุขถ้าคุณจะเอาความสุขคุณก็อย่าเล่นหุ้นนะตอนนี้แกก็มีเงินเยอะแล้วแกบอกแกจะความสุขแล้ะแกก็เลยนะเรียกว่าแทบจะเลิกเพื่อนอาตมาเล่าว่าวัาวนหนึ่งได้ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้เนี่ยเล่นหุ้นเป็นประจำไปตลาดหุ้นทุกวัน คุยไปคุยมา ค, าคุณป้านี้ก็บอกว่าสองสามัญกรขายหุ้นไปตัวหนึ่งล็อตใหญ่เลยได้กําไรสิบล้า น, านเพื่อนของตมะ ก, ก็เลยพูดกับคุณป้าว่าขอรสแจงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรร้อยี่สิบล้านคุณป้าได้กําไรสิบล้านคุณป้าไม่มีความสุขนะสิบล้านนี่มันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกี่ใบนะสี่ห้าใบใช่ไหมเราไม่เคยเล่น ก, กันเลย เคยเล่นไหมไม่เคยเลยอ๋อเราคุณป้าเนี่ยนะคุณป้าได้กำไริบล้านนะไม่มีความสุขฮะเพราะอะไรเพราเครียดตัวเองน่าจะได้20สล้านวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุนเหมือนเคยเพื่อตมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนเพราะแกไปทุกวันตอบได้คําตอบว่าคุณป้าเข้าโรงเยาบาลแล้วแกเข้าเพราะอะไรฮะเพราะเครียดที่ได้สิบล้าน ได้ส0ล้านก็ไม่มีความสุขนะถ้าคุณวางใจงไม่เป็นนะคุณได้สมมุติได้โบนัสเนี่ยสองแสนเนี่ยทีแรกจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเพื่อนได้สามแสนเนี่ยทุกเลยใช่ไหมฮะมีคราวหนึ่งนะ่ตมาไปบรรยายนะที่กรุงเทพเนี่ยบรรยายเสร็จตมาก็บอกว่าตมามีหนังสือมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าคงไม่พอนะควจะแจกได้เฉพาะไม่กี่คน อาตมาก็หยิบหนังสือขึ้นมาปึ่งหนึ่งนะหนังสือก็ขนาดเล็กๆเท่าฝ่ามือนะคนก็กรูวกันมารับหนังสือหลายคนก็ดีใจนะที่ได้หนังสือพอหมดปึ่งเนี้ยอาตมาก็ปึ่งใหม่มาคร น, นี้ปึ่งใหม่เนี้ยหนังสือเท่าขนาดพัคเก็ตบุ๊มนะก็ขนาดนี้นะแจกจนหมดนะเพราว่าคนที่ได้ปึ่งแรกเนะนี้ยหนังสือเล่มเล็กเนียหลายคนไม่มีความสุขนะหลายคนไม่พอใจ บางคนก็มาขอขอเปลี่ยนเอาเล่มเล็กมาแลกเล่มใหญ่ไม่ทันได้อ่านเลยนะว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเล่มเล็กเนี่ยมันสู้เล่มใหญ่ไม่ได้แต่เห็นไหมฮะคือตอนแรกเนี่ยได้เล่มเล็กมีความสุขแต่พอเห็นคนถือได้เล่มใหญ่นี่ตัวเองนี่ไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรฮะเพราะเปรียบเทียบแต่ถ้าคุณพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะได้เล่มเล็กก็มีความสุขใช่ไหมฮะงั้นสมาชิกว่าครูเนี่ย จะมีความสุขได้นี่ต้องมีต้องมีมุมมองแบบนี้ด้วยพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ถาาว่ามีความสมรถมีความพอมีชีวิตที่เรียบง่ายและความสุขมาจากไหนฮะความสุขมาจากการที่ได้ได้ทําสิ่งที่รักความทุกขได้ทําสิ่งที่ชอบได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าคือการสอนความสุขได้เห็นครูให้เด็กนักเรียนเนี่ย มีอนาคตเด็กที่เหลือขอกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอาตมาว่า น, นี่แหละนะคือสิ่งที่จะให้ความสุขแก่ครูได้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากวัตถุความสุขจากลาบยศสารเสริญตำแหน่งหรือวัตถุ ทกครูเนี่ยหันมาหาความสุขหรือเข้าถึงความสุขประเภทนี้ได้มากๆความสุขจากการที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าความสุขจากการที่ได้ศึกษาหาวิชาความรู้สนองความฝ่รู้ของตัวความสุขจากการมีชีวิที่เรียบง่ายรวมทั้งความสุขจากการทาสมาธิภาวนาเมื่อใจเราสงบไม่ปรุงแต่งไม่หลไปอดีต ไปไปจมอยู่กับอนาคตความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันอาตมาคิดว่าครูเนี่ยนะถ้าออว่าเรียนรู้ที่จะมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขนาดโดยใสยสติและความรู้สึกตัวความสุขจะเป็นเรื่องง่ายทุกวันนี้ความทุกข์ของคนเราเนี่ยลองสังเกตดูดีๆนะมันทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะใจไปอยู่กับอดีตอดีตที่เจ็บปวดความสูญเสียที่ผ่านไปแล้ว ความต่อว่าดาทอที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ไปกังวลกับสิ่งที่จะมาไม่ถึงเดือนหน้าจะมีเงินจ่ายผ่อนรถไหมีเดือนหน้าจะมีเงินผ่อนบอสผ่านผ่อนบ้านไหมแล้วลูกเราจะสอบเข้าหมหาเชลัยได้ไหมมันยังไม่เกิดขึ้นเลยสักเลยสักเรื่องแต่ว่าทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะไปกังวลเพราะไปค้นหาเพียงแค่เอาใจอยู่กับปัจจุบันนะก็จะมีความสุขได้ง่าย นั้นครูถ้ามีสติอยู่กับการสอนนะแล้วก็มีสติอยู่กับการทำอะไรก็ตามที่เป็นปัจจุบันขณะนะไอ้ความทุกข์ใจก็จะน้อยลงและสิ่งนี้เราสามารถจะสอนให้นักเรียนเราได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้รู้จักด้วยทุกวันนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะสอนเด็กนะให้รู้จักการทำสมาธิและสมาธิที่สอนกันหรือที่ครูเข้าใจ ก, ก็คือการนั่งหลับตาแต่ที่จริงแล้วเนี่ย เรื่องการฝึกจิตเนี่ยมันทำได้หลายวิธีแม้แต่สมาธิเนี่ยเราก็สามารถจะสอนสมาธิแต่ละแบบการที่เด็กมีสมาธิกับการอาาร่านหนังสือการที่เด็กมีสมาธิกับการถักโครเช่การที่เด็กมีสมาธิกับการวาดรูปเนี่ยก็ไปสูนน่ถึงการสร้างสมาธิกับเด็กได้จะพิจาราสมาธิต้องอาศัยการนั่งหลับตาอย่างเดียวหลายโรงเรียนเนี่ยบังคับเด็กให้นั่งหลับตา บอกว่าเด็กนี่เกลียดสมาธิมากเลยเด็กเกลียดสมาธิมากเพราะถูกบังคับและยิ่งเด็กพอนั่งสมาธิถูกบังคับให้นั่งสมาธิแต่ครูไม่นั่งครูไม่ทําตามแต่สอนบังคับให้เด็กทําตามเนี่ยบังคับให้เด็กนั่งสมาธิเนี่ยเด็กก็ยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ยากที่เด็กจะเห็นคุณค่าของสมาธิได้ถ้าครูไม่ทําให้เป็นแบบอย่างด้วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากสมาธิกับ การทํางานสมาธิกับการวาดรูปสมาธิกับการอ่านหนังสือสมาธิกับการทํากิจกรรมการฝีมือแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะฝึกจิตด้วยวิธีอื่นได้เช่นการฝึกดเด็กให้มีสติคือรู้ทันความคิดของตัวเพราะว่าคนเราทู่มกัความคิดมากเลยนะฮะเราไปล่อความคิดเลน ง, งานเราถ้าเราไม่รู้ทันมันความคิดที่เป็นอบุติศนก็สามารถจะทําให้จิตใจร้อนรุ่ม หรือว่าเจ็บแค้นหรือว่าวิตกกังวลหนักอกหนักใจได้สอนเด็กให้รู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำจะว่าไปตั้งแต่ชั้นมัธยมไอ้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยก็ว่าได้มีโรงเรียนนี้ที่กรุงเทพนะฮะโรงเรียนจิตตเมธเวลาพ่อแม่พานักเรียนมาที่โรงเรียนเนี่ยนี่เด็กชั้นอนุบาล น, นะเด็กบางคนก็ คิดถึงแม่เด็กบางคนก็ก็หงุดหงิดไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายใจครูก็มีวิธีการสอนให้เด็กเนี่ยมารู้ทันอารมณ์ของตัวเองให้เด็กเปิดไพ่ไพ่เนี่ยมันมัมนมีนะไพ่แต่ละไพ่แต่ละใบเนี่ยมันจะแสดงอารมณ์ความรู้สึก ข, ของตัวเองให้เด็กเปิดว่าเนี่ยไพ่ใบไหนที่มันกำลังแสดงความรู้สึก ข, ของตัวเองไพ่น่าจะเป็นรูปเด็กยิ้มเด็กหน้าบึง้งเด็กร้องไห้ ให้เด็กเลือกว่าไพ่ไหนเนี่ยที่มันสะท้อนความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เด็กทำจนชำนาญจนสามารถที่จะบอกได้ว่าเนี่ยตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรอาศัยไพ่เนี่ยเป็นตัวบอกเด็กไม่เด็ ก, ดกอ่านหนังสือไม่ออกนะไม่เข้าใจาว่าเสียใจเศร้าใจหงุดหงิดขุนเคืองจะเด็กเห็นภาพเนี่ยคล้ายๆตัวอีโมจิในในไลน์นะหรือในเฟซบุ๊กเนี่ยเด็กก็สามารถจะบอกได้ว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกอย่างไร นี่เป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวเองรู้จักอารมณ์ของตัวในขณะนั้นก็คือการสร้างสตินั่นเองทําได้แต่อนุบาล น, นะฮะแต่คนจำนวนไม่น้อยนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ ย, ยังไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองเลยว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรอาตมาทํากิจกรรมหลายอย่างนะบางอย่างเป็นกิจกรรมที่ทําให้เศร้าเสียใจทำเสร็จอาตมาก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ หลายคนตอบเป็นความคิดหมดเลยไม่อยอมตอบความรู้สึกตอบเป็นความคิดเช่นคิดว่าความยึดติดทําให้ทุกข์ยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกอันนี้เป็นความคิดความรู้สึกคืออะไรเศร้าเสียใจแปลกใจผู้ใหญ่จําจนวนมากเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรในขณะนี้นะตอบเป็นความคิดหมด แลพะพอไม่รู้ไม่รู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเนั่นแหละเวลากโกรธก็เลยโกรธเป็นรับเป็นเวรไม่รู้ตัวว่าโกรธเสียใจก็ไม่รู้ตัว่าเสียใจอันนี้ธรรมาเชื่อเป็นเป็นวิชาชีวิตที่สอนให้กับนักเรียนได้ให้เด็กได้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองแล้วเด็กทําได้ดีนะฮะอาจารย์ประสงค์บริปุนโนเล่าว่าเคยไปเทศทีท่โรงเรียนแห่งหนึ่งเทศจบก็ได้สนทนากับนักเรียนคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงอายุ8ขวบเด็กก็พูดจาฉาดฉาญนะฉลาดพอสนทนาจบอาจารย์ปร ะ, ประสงค์ก็บอกว่ า, วาเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดหนูเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็หยิบรูปประคำขึ้นมาออกจากย่ามเพอเด็กเคสเด็กร้องอู้ฮูเลยนะอาจารย์ปร ะ, ประสงค์ก็ถามว่าหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่ายัางไงทราบไหมฮะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจคะ่ะ เด็กไม่ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจแล้วหนูทํายังไงกับมันเด็กเอบว่าหนูไม่ทําอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันสงบลงแล้วข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วเด็กเขาตอบแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะเด็กเขารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองรู้ทันความดีใจเห็นความดีใจเกิดขึ้นเด็กไม่บอกว่าหนูดีใจแต่หนูเห็นข้างในมันดีใจอธิมากคิดว่า ถ้ามีสติอย่างนี้เนี่ยนะพอเห็นความพอมีความกลัวเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธพอมีความเศร้าเสียใจเกิดขึ้นก็เกิด ก, ก็เห็นความเศร้าเสียใจแล้วก็ทําให้มันสงบบรรเทาลงได้นี่เป็นวิชาชีวิตนะที่ที่ที่ที่ครูเนี่ยก็สามารถจะทําเป็นแบบอย่างให้แ ก, แกสิทธิ์หรือว่าแนะนําให้เขาได้รู้จักก็ได้และสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสื่งที่มาช่วยเสริมการทําสมาธิของเด็ก ให้ให้ให้เจริมั่นคงขึ้นอาตมาก็ใช้เวลาพสมคูรแล้วนะฮะก็คิดว่าคง